namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo ปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคณมุตตมันติอีมันสะธรรมะ <c oughs> เพื่อส่งเรื่องของชีวิตศรัทธาในสัมมาบริบัติเราเติบโตมาเนี่ย ยังเข้าใจว่าตัวของฉัน,ตัวของเรา เขเขเขเข้าใจว่าตัวของฉันตัวของเราตัวข้าพเจ้า เล็บสักชิ้นนึงฟันสัก 3 นึงหรือหนังส่วนใดส่วนนึงเรามีสติปัญญาที่ขึ้นมาเองมั้ยที่ 2 ซื้อเขามายังไม่มีสพินันทองติดมาเลยมาซื้อเอาร่างกายนี้ได้อย่างไร 3 เราขอเขาพูดยังไม่เป็นภาษายัง ความจริงนั้นกายนี้เป็นของสืบจากปู่ย่า ลมหัดขึ้นเบิ่งบนเบิ่งดำในท้องในไส้แล้วก็ลมมันจะออกให้ว่ากายเพียงธาตุ 4 เราเป็นผู้ที่ได้ร่างกายจะแต่บิดามารดาก็มาได้จิตตวิญญาณแก่เราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่กับบิดานั้นนิสัยใจคอความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเค้ายังมีฐานะก็เหมือนอยู่นิสัยพอต่างกันที่นำต่างกันมันต่างกันยังไง รูปร่างหมายสมประกอบสติปัญญาทึบทินทําให้ดีก็ทําไมถึงบางท่านบางคนก็ ที่พุทธเจ้าแสดงว่าเป็นเพราะว่าอดีตในบางก่อนชาติ มาชาตินี้พระองค์ก็ทรงทานัยถึงกันว่าที่พระองค์ทรงทราบด้วยการภาวนานั้นรู้ชาติก่อนเป็น 5 เจนชาติก่อนเป็นเวสสันดรเป็นพระวิฑูรมฑิตเป็นก็ทรงญาณทนะ จิตดวงนี้จะไปสู่สุคติไปเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทพเจ้าเทพธิดาเป็นณพรหมถ้าจิตดวงนี้มีความเศร้าหมองจะต้องไป เขาไม่อยากไปทุกข์ฤติแล้วแต่ว่ากรรมชั่วจะพาไปสู่ภพที่ต่ํา ก็จะเท่ากันด้วยความเป็นพระเจ้าชั้นต้นเป็นพระโสดาบันวิสุทธาคาจะเท่าด้วยการเอากิเลสออกสุดยอดเป็นพระอรหันต์แม้พระองค์ว่ากว่าพระองค์เป็นพระนั้นได้สั่งสมบุญมีมาทุกๆชาติเรื่องอาสวะกิเลสพยายามลดละฉะนั้นคน จิตไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสบังคับจิตความสุจริตบังคับกายวิบากร้ายที่บังคับชะตากรรมให้ยากจนทุกๆอย่างต่างว่าบุญบารมีนั้นจะส่งเสริมจิตความสุจริตส่งเสริมกาย ความผ่องใสก็ส่งเสริมชนากรรมนั้นให้เข้าใจว่า เรางมมาเอาบุญส่วนคนที่เกรนกนอยู่ภายนอกนั้นตั้งแต่เช้ายันค่ําเค้าพุ่งเอาแบงค์แบงค์คือโลกิยทรัพย์ ไปโลกหน้าอริยทรัพย์ก็ยังพาไปสู่คบ สำคัญคือให้เป็นคนสุจริตซื้อจะกินไม่หมดคนจะกินไม่นานเห็นได้ว่าเป็นที่รู้ถูกดูหมิ่น แต่คนที่ทํางานทุจริตไม่จะเป็นชาวไร่ชาวนากรรมกรเป็นคนที่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์เสร็จแล้วผู้นั้น ห่าเรามาใช้ปัจจุบันนี้เป็นไปตามพุทธเจ้าสอนว่าเราเกิดมาทั้งทีๆนั้นเออ เมื่อเรามาในสถานที่นี้แล้วจะมีเครื่องยูคือสิ่งที่เราเคารพพุทธเจ้าบอกว่าคนเราถ้าไม่ที่เคารพแล้วจะอยู่ลําบากเพราะไม่มีหลักใจเมื่อเราถึงพระญาดีนี้เราทักทายกมือไหว้หรือกราบไหว้พระญาดีพระญาดีก็ธรรมดานั่นแหละเป็นคริสเตียนจอเจนอร์ทรี การกิริยานี้ก็เป็นใจดีของเราตระ แสดงว่าที่พระเจดีนั้นเป็นที่ เป็นความเจริญของชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งการบูชานั้นเรา คำนั้นคือเราจะกราบราวแล้วน้อมคุณท่านมาบำเพ็ญจึงจะเป็นคุณของประการแต่ที่ เพียงสามประการณ์บริษะครับยาวขอนอบน้อมพระควะโตพระกิวนาทิพระวิศพระปัญญาคุณนอกจากนี้น้ำโมนี้เราส่วนก็ได้ทั่วไปแล้วท่านพอรีทพัทโลหรือท่านจับคุณคือธรรมรังศีความวิ� บทพุทโธคุณนั้นมีบทนึงเรียกว่าเป็นคถาประจําองค์พระคือคุณสมบัติของพุทธเจ้านั้นอรหังพระประติคุณพุทโธพระปัญญาคุณภควาพระกนาธิคุณอิโสมหัตนี่นโมหังขอร่ํา เราเข้าใจน้อมคุณของพระพุทธมาเป็นดามภควาโตชอบเอื้อผู้อื่นแล้วก็อรหันต์ก็แล้วก็น้อมมารักษาศีลเจริญเมตตาก็เป็นการว่าจิตใจ ค่อยๆสะอาดขึ้นจําฤทธิ์สุดเร็วขึ้นแล้วก็น้อมว่าพระปัญญาคุณนั้นมาเป็นผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคุณของพุทธเจ้าพระปัญญาคุณก็จะมาเติมให้เรามีปัญญามากขึ้นใจจิตใจดีขึ้นน้อมคุณพุทธเจ้าพระอฤทธิ์คุณมารักษาศีลจริยเมตตา ความที่ใจของเราสะอาดขึ้นก็บริสุทธิ์เลียวขึ้นก็ควรน้อมองค์แรกคือพระหรือพระนั้นเพราะกันคุณหมายถึงเป็นผู้เอื้อเฟื้อแผ่ชอบทําทานช่วยเหลือเขาเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเราจะได้คุณพุทธเจ้ามาเติมให้เราทุก จะเป็นนะโมกตารหมดโสตะกตัมหรือไม่พุทธังธังชา เป็นนี้ซึ่งภายในทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตชาติ 80,000 ที่พระธรรมังข์ๆว่า อันความชั่วทั้งปองปองละเว้นเพียรนําเพญผลชําระใจให้สะอาดปราดโปร่งงอนนิพพานของวัดจตุจัยให้ทราบว่าคําสอนพุทธเป็นเรื่องสามัญที่ไม่อยากเดือดร้อนอย่าทําความชั่วร้ายท่านก็แสดงว่าความชั่วพื้นฐานนั้นคือ หรือว่ารอกรวงก็โหกกันก็ลืมรายาเมาอย่าสะติดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเส่าหมองทําให้เกิดเดือดร้อนทั้งเขา ในส่วนนึงก็ให้ทําความดีหมายถึงบุญกุศลนั้นถ้าเราละชั่วแต่ไม่ทําความดีแล้วเหมือนกับ ทำจิตให้ดีขึ้นโดยการให้ธานเป็นความดีทุกประการที่เราทำแต่รวบอยู่ที่ว่าทำละจิตให้ผ่องใสจิตนั่นเป็นภาของความผ่องใสถึกธรรมชาติแต่ไม่กีเรตอักโอพิกเรตจรมาจึงทำให้จิตนี้เสร้าหวองคุ ต้องทำละจิตสงสัยในการบําเพ็ญจิตภาวนาไม่การ มันฝึกภาวนาชำระจิตตนให้ รั่วจิตเหล่านั้นยังมีความสกปรกคุณงัวอยู่จึงจะต้องขนขวายครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเรามันตายแน่ถ้าเรา ไม่เข้าใจชนมรรคกิเลสแล้วยิ่งแก่ก็จะยิ่งเละเทะใน น้ำเค็มอยู่ในถ้วยของเราเราลวกเค็มเราเอาน้ําจืดเติมจากเต็มถ้วยไปใส่ในถังใหญ่เติมน้ําเข้าไปไปใส่ตุ่มใหญ่เติมน้ําเข้าไปแม้ว่าเกลืออยู่แต่เราเติมเกลือเติมแต่น้ําจืดความเค็มของเกลือก็จะน้อยลงน้อยฉะนั้นผู้ทําดีทับทวีไว้ อานตามส่วนความดีทวีขึ้นบุญทวีขึ้น จิตใจผ่องใสไปก็สูงขึ้นถ้าบำรุงคนธรรมท่านได้ชั้น 1 แล้วเราจะมีที่พึ่งอย่างที่เรียกว่าพึ่งพระธรรมนั้นโดยการละบาปเวรบุญใครมีพระธรรมอยู่ในใจเท่าไหร่แล้วไม่จะแก่ก็ไม่กลัวเราเป็นคนแก่ก็ไม่ทุกข์มันก็ ก็จะหมดกิเลสเหล่าของทุกข์ไปสู่ สุปัตเตปันโนภควาโตสาวกทั้งโคพระสงฆ์สาวกเจ้านั้นผู้บัดดีแล้วกูชื่อเป็นมวรสอังคโคก็เป็นผู้บัด ปรากฏนั้นเป็นเรื่องที่รู้ได้ยาก นอกจากมีพระองค์ธรรมวิเทศบัญจุไปแล้ว จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยมีตกิปพยานจากท่านซึ่งองค์ เรียกว่าจะเป็นเจดีย์ที่มีทั้ง เป็นข้อขูดเค้ากิเลสอย่างยิ่งมี 13 ประการจะข้อคือผู้ถือธงวัดนั้นพื้น ขอสบมาขนาดสักตัดเจ็บรวมอันเป็นเรื่องครึ่งโหมเกี่ยวกับเรื่องอาหาร 5 ข้อบิณฑบาตประจําบิณฑบาตตามแถวที่กําหนดไว้ฉันในบาตรฉันมือเดียวเมื่อเริ่มฉันแล้วไม่รับอาหารเพิ่มนี่เป็นเรื่องอาหาร 5 ข้อเรื่องที่อยู่ 5 ข้ออยู่โคนไม้อยู่ ก็ที่อยู่ 5 ข้อสุดท้ายเราทํามันอยู่เสมอๆในหรือวันสําคัญเช่นวันมาฆะวิสาขะอาสาคือว่าเนสัจฉิทุโดงคืออยู่โดยไม่นอนไม่ทอดกายลงนอนอยู่วัด 3 คือนั่งสมาธิยืนสำรวมเดินจงกรมเราก็จะ อันนี้เป็นส่วนนี้เป็นอนุสรณ์ของทุนองค์กวาด 13 ประการแล้วมองทางเฉียงก็จะมอง 7 หมายถึงโพจ 7 แล้วเจดีย์นี้เป็นธรรมจักรสัตตสีเรียมคือรู้กําหนดรู้ พระพุทธเจ้ารู้แล้วของเราเพียงกําหนดรู้สมุทัยควรละพุทธเจ้าละแล้วก็ละแล้วส่วนนิโรธควรนําให้แจ้งทํา โดยการศึกษาและฝึกปรบัติตามเพื่อความเป็นสมมคคนอนุร่มของเราเพราะในการที่เรามาในงานนี้อาจจะมีความไม่สุขสบายยังไงก็ตามทีคือที่อยู่คับคั้นคืนก็ฝนตกมาอีกหรือไม่ก็อาการร้อนกลางวันก็ร้อนเรื่องของเกี่ยวกับ ฝ่ายมาคอยลักขโมยเขามาเอาแบงค์ก็มีอันนั้นก็แล้วแต่ ถ้าใครมองโลกแง่ร้ายเค้าเก็บส่วนชกปอกกุ้นไว้ทั้งมองไว้เค้าก็ได้สิ่งไม่ดีไปนั้นการที่มาสถานที่นี้ มีซื่อผลมากเลยบ้างแม้แต่เรื่องต่างนั้นท่านจึงบอกว่าเรื่องของความอดทนนั้นเป็นตบะธรรม บำเพ็ญตามรรคองค์ 8 นั้นเป็นเรื่องรวบยอดเป็นปัญญาศีลสมาธิซึ่งต้องอาศัยวิริยะขันติเป็นอันมากเมื่อผู้ใดมีขันติเป็นหมื่นถ่านแล้ววิริยะก็ก้าวหน้าได้ความเจริญเกิดขึ้นสมุทัยหรือเรื่องสิ่งที่ไม่ดีงามก็จะลดน้อยถอย ที่เล่าให้ฟังเพียงสั้นๆว่าการบูชาสิ่งที่ดีจะ เป็นภาษาของเจ้าผู้เกิดฉะนั้นอย่าลืมว่าไม่ใช่อ่าทําสมาธิบัด ขอขอ